าจงมีความสุข ก, กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินประโยคนี้เราก็น้อมนึกทุกครั้งที่เราแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากสัตว์ทั้งปวงแล้วนะตัวเราเองเนี่ยก็ควรจะเดลึกนึกถึงประโยคนี้ด้วยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินลองใครค่ครวญดูว่าทุกวันนี้เนี่ยเรารักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นมากน้อยเพียงใดเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเราอาจจะนำพาทุกภัยมาให้กับตัวเองก็ได้นะเลยเพราะวิถีชีวิตการกินการอยู่ของเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการรักษาตนโดยพรารักษากายให้ปลอดจากทุกภัยมากน้อยแค่ไหนดูว่าวิถีชีวิตของเรา อาการบริโภคของเรามันสร้างทุกข์ให้กับตัวเราโดยเฉพาะกับร่างกายการกินอาหารของเราถ้าเรากินเพื่อความ อ, อร่อยคิดแต่จะกินแต่ของที่ช อ, ชอบ เพราะมันถูกใจโดยที่ไม่ได้พิจารณาว่ามันมีประโยชน์หรือมันมีโทษอย่างไรต่อสุขภาพของเราสิ่งที่เรากินนั้นเนี่ยหรือสิ่งที่เราบริโภคมันก็อาจจะกลายเป็นการสร้างทุกข์ให้กับร่างกายของเราก็ได้เพราะเดีนี้ผู้คนจำนวนมากเนี่ย สร้างทุกข์ให้กับร่างกายด้วยการกินการบริโภคซึ่งเป็นไปเพื่อตามใจกิเลสซึ่งถ้าดูให้ดีๆมันก็ล้วนแต่เป็นการเลือกกินเลือกบริโภคของที่ชอบไอ้ของที่ชอบเนี่ยมันมักจะทำร้ายเราเสมอ ไอ้ของที่ไม่ชอบเนี่ยมันไม่ค่อยทำร้ายเราเท่าไหร่เพราะเราเลือกที่จะอยู่ห่างมันแต่ของที่เราชอบเนี่ยเราก็จะเสพล้วก็จะบริโภคมันอยู่เสมอแต่สิ่งแตงกตาดาที่เรากินมากๆเสพมากๆเนี่ยแม้มันจะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่สุดท้ายนี่มันก็กลายเป็นโทษได้ไม่ว่าจะเป็นไขมันโปรโตีนน้ำตาลหรือว่าของหวาน เราทำร้ายร่างกายของเรานะด้วยการบริโภคที่ไม่รู้จักประมาณบ้างหรือว่าที่ขาดสติหรือขาดการพิจารณาบ้างถ้าเราทำอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเรารักษาตนนะเรากำลังบัทอรตนบันทฑรกายถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กินหรือเสพ สิ่งมึนเมาสิ่งที่เป็นยาเสพติดบุรีเหล่าหรือว่ายาเสพติดไม่ว่าที่ผิดกฎหมายหรือว่าที่ขายตามท้องตลาดเพราะายาเสพติดที่ขายตามท้องตลาดก็มีนะอาจจะไม่ได้เป็นยาเสพติด ต, ต้องห้ามแต่ว่ามันก็มีผล ในทางบันทรสติสัปชัญญาของเราอย่างเช่นพวกยาระงับปวดยากลายประสาทพวกนี้เนี่ยอาเสพมากๆนี่มันก็ทำลายทั้งร่างกายและจิตใจของเราได้ทั้งๆที่คนเราเนี่ยมันก็ล้วนแต่รักตัวรักชีวิตนะถึงแม้แล้วว่าเราจะพยายามนะออกห่างหลีกหนีสิ่งที่เป็นอันตราย เช่นงูเงี้ยวเขียวขอหรือว่าสมัยนี้ก็รถราที่ขวักไข่ไขยๆก็ล้นแต่ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแหละแต่สิ่งที่ไม่ระมัดระวังเลยนี่ก็คือในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่มันถูกใจนะแม้แต่สิ่งที่เสพทางตานะ หรือว่าสิ่งที่ใช้ความคิดนะั่นอย่างเช่นพวกเกมออนไลน์พวกนี้หรือวิดีโอเกมพวกนี้ในการเสพสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันก็เป็นการบันทอนร่างกายของเราได้คนที่ตายเพราะเล่นเกมออนไลน์ทั้งวันทั้งคืน 36ชั่วโมง48ชั่วโมงเดินไม่ได้หยุดเลยนี่มันมีไม่น้อยเลยนะคนที่บอกว่ารักตัวรักตัวนะแต่ว่าบัทอรชีอของตัวเองเนี่ยด้วยการเสพสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีมากมายให้เราถามตัวเราเองนะว่าเออเรารักษาตนให้พ้นจากทุกภัยจริงหรือเปล่านะ หรือว่าได้แต่แผ่เมตตาให้คนอื่นแต่ว่าไม่ได้เหลียวมองว่าเรารักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยจริงๆแล้มันไม่ใช่เฉ้าการเสพนะนะการหรือการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพเนี่ยการเกี่ยวข้องกับผู้คนซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศีลเนี่ยถ้าเรา ไม่ใส่ใจนะไม่ให้ความสำคัญนะกับการ เ, าเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยศีลด้วยธรรมมันก็สามารถจะทำร้ายตัวเราได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่อยู่ในศีนเนี่ยโดยเพพาะศีนท่าทีเป็นศีลเบื้องต้นเนี่ยไปลักขโมยไปทำร้ายหรือถึงขั้น ทำลายชีวิตเขาไปแย่งชิงของรักของห่วงหรือว่าไปควบชู้สู่สาวผิดประเวณีอันนี้มันก็สามารถจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราได้เหมือนกันเป็นการสร้างทุกข์ทั้งกายและใจให้กับตัวเอง นั่นถ้าพิจารณาดูดีๆเนการรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยนี่มันนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะอ่าไปอ่าบนบานสารกล่าวให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยรักษาเรานะแต่มันต้องอาศัยการกระทําของเราเองและไม่ใช่เพราะเรื่องของการดูแลกายอย่างเดียวนะเรื่องของใจก็เหมือนกันบ่อยครั้งนี่เราก็หาทุกข์มาใส่ใจของเรา ไม่น้อยหรือจะยิ่งกว่าการหาทุกมาใส่กายนะใ้การหาทุกมาใส่กายนี่ก็ก็ทำโดยไม่รู้ตัวหรือทำโดยไม่ตัณหกแต่ที่ทำบ่อยนะก็คือการหาทุกมาใส่ใจนะนะการที่เราไม่ดูแลจิตใจของตัวให้ดีปล่อนยะให้ความคิดมันไหลหไป เช่นหลาไปอดีตนะไปนึกถึงเหตุร้ายไปนึกถึงเหตุการ์ต่างๆที่น่้จะผ่านไปเป็นปีแล้วแต่ว่าก็ไม่ยอมปล่อยมันผ่านเลยไปเอามาเอามาคิดเอามาย้ำเอามาซ้ำเติมในการที่เราไปคิดถึงเหตุร้ายในอดีตเนี่ยถ้าเราคิดไม่เป็นขาวสติเนี่ย มัคือการทำร้ายจิตใจตัวเองมันคือการย้อนกลับไปสู่ความเจ็บปวดซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าแค่เจ็บปวดครั้งเดียวนี่มันก็หนักหนาอยู่แล้วนะแต่ว่าเรากลับเรียกว่าอะไรย้ำแผลนะด้วยการนึกถึงมันซ้าแล้วซ้าเล่า การนึกถึงมันแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ก็เหมือนกับว่ากลับไปเจอความเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งคนะือแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นเหตุการณ์จริงแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดความทรงจําของเราแต่ผลเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราได้กลับไปซ้ําเติมตัวเองในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเกิดจากคนอื่น อาจจะเกิดจากคนอื่นเขาทำร้ายเราต่อว่าด่าทอเราทรยศหักหลังเรานี่เจ็บปวดแต่พอเรากลับไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยและเราปวดเนี่ยหรือเราเจ็บหรือเราทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะเขาแล้วนะแต่เป็นเป็นที่เราเราไปย้ำแค้นย้ำรอยอรอยทุกข์ หรือสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองคิดสิบครั้งนะก็หมาอควว่าย้ำหรือว่าซ้ำเติมตัวเองเนี่ยสิบครั้งนะอันนี้เรียกว่าหาทุกมาใส่ตัวนะหรือเอาทุกมาใส่ใจนะมาซ้ำเติมใจของเราตั้งที่เหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้ว แต่ก็ไม่ยอมมันผ่านเลยไปความทุกข์บางอย่างมันก็เกิดจากการปรุงแต่งของเราเองนะเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าพอปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายด้วยความหวาดระแวงบ้างนะหรือด้วยความไม่รู้เพราะว่าชอบนึกคิดไปในทางเลวร้ายนึกเห็นแต่ปัญหา มันก็ทำให้ใจเราทุกข์นะทั้งที่เรื่องยังไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยแต่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับใจเราแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่านะทำลายจิตใจของเราหรือหาทุกข์มาใส่ตัวงนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักรักษาตนนะคือไม่รู้จักรักษาใจถ้ารู้จักรักษาใจเนี่ ย, ยก็จะไม่หาทุกข์มาจัดเยียดนะ ทำกับจิตใจของเราไม่ว่าเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือว่าเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ปรุงแต่งอันนี้เราทำร้ายตัวเองนะด้วยการหาทุกมาซ้ำเติมจิตใจของเราเนี่ยนะครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่รู้ตัวนะจริงอยู่นะบางครั้งเนี่ยมันก็มีเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ อาจจะเป็นความทุกข์กายเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่แทนที่เราจะทำให้ความทุกข์มันลดน้อยถอยลงเรากลับทำให้ความทุกข์มันเพิ่มพูนมากขึ้นด้วยการวางใจหรือด้วยการทำจิตที่ไม่ถูกต้องโดยที่เราไม่รู้ตัวนะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยปวดหัวมากเลย ดหัวมาแล้วก็มีความทุกข์อย่างมากเลยก็ไปปรึกษานักจิตวิทยาคนหนึ่งนังกจิตวิยาคนนี้เนี่ยแกก็ใช้วิธีพูดคุยซักถามนะแล้วก็การซักถามแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ชวนทำให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะกลับมาดูใจของตัวเอง แล้วเธอก็พบนะว่ามันมีในขณะที่มันมีความเจ็บปวดหรือปวดหัวเนี่ยมันมีความรู้สึกต่อต้านผักใสความเจ็บปวดนั้นด้วยเธอเห็นนะว่าเนี่ยมันมีบางส่วนในตัวเธอเนี่ยที่มันปฏิเสธมันผักใสมันไม่พอใจความปวด แล้วพอเธอเห็นตรงนั้นนะเธอก็ค่อยเริ่มนะวางไอ้ส่วนที่ไปต่อต้านผักสายความปวดพอมันจางคลายไปเนี่ยเธอรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยทั้งที่ยังปวดอยู่นะความปวดยังไม่ได้หายนะและไม่รู้ว่ามันปวดเพราะอะไรปวดเพราะเป็นเรื่องของจิตหรือเป็นเรื่องของกายเนี่ยอันนี้ ยังไม่รู้สาเหตุเลยแต่เพียงแค่เห็นนะว่ามันมีบางส่วนของตัวเธอเนี่ยที่มันต่อต้านผักสใสความปวดที่เกิดขึ้นในหัวเนี่ยแค่เห็นเนี่ยไอตัวเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความปวดของเธอทุเลาลงเพราะว่าพอเห็นมันนะมันก็ค่อยๆจางคลายไป เธอก็เลยรู้ว่าเนี่ยความทุกข์ของเธอเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความปวดหัวอย่างเดียวนะแต่มันเกิดจากการที่มีแรงต่อต้านผักใสหรือปฏิเสธความปวดนั้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนจานวนมากนะเวลาปวดกายเนี่ยมันไม่เคยปวดแต่กายเลยมันมีความปวดใจ ตามมาด้วยความปวดใจก็เกิดจากการที่ผักสสยไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายนะอันนี้เราเป็นการซ้ําเติมนะเพราะแค่ความปวดกายเนี่ยหรือปวดหัวนี่มันก็หนักอยู่แล้วนะแถมยังซ้ําเติมตัวเองด้วยความปวดใจด้วยและที่ความปวดใจเกิดขึ้นก็เพราะการที่ไม่มีสติหรือว่าไม่รู้ทันนะอาการของใจ มีพื่นคนหนึ่งนะเจอเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วเธอก็รู้สึกลำคาลนะลำคาลลูกเวลาร้องไห้นะลูกนี้ก็ยังแบบบอกรักลูกก็รักนะแต่ว่าเวลาลูกร้องไห้เนี่ยเธอก็รู้สึกลำคาลมากจนกระทั่งเกิดความโกรธและบางครั้งเนี่ยโกรธจนกระทั่งอยากจะทำร้ายนะลูกของเธอ ถ้าเธอมีความทุกข์มากเลยก็มาปรึกษากับ น, ะนักจิตวิทยาคนเนี้นักจิตวิทยาก็ใช้วิธีพูดคุยซักถามจนทั้งทำให้เธอเห็นเลยนะว่าเวลาเธอโกรธลูกเนี่ยที่ร้องไห้เนี่ยส่งเสียงดังเนี่ยมันมีบางส่วนในตัวเธอที่มัน มีความไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบตัวเธอที่โกรธลูกนะ้บางส่วนของตัวเธอที่ไม่ชอบตัวเธอที่โกรธลูกเนี่ยนะมันมันทำให้เธอเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยเพราะว่าในด้านหนึ่งเนี่ยก็ไม่พอใจลูกแต่ในอีกส่วนนึงก็มีความไม่พอใจตัวเองมีความรังเกียจ นะตัวเองมีความโกรธตัวเองนะมันมีโกรธสองโกรธนะซ้อนกันอยู่นะโกรธลูกนะกับโกรธตัวเองที่โกรธลูกเนี่ยพอเธอเห็นตรงนี้นะไอ้ตัวโกรธไอ้สิ่งที่ไอ้ความโกรธตัวเองเนี่ยมันก็บันเทาลงนะก็ทำให้เธอเนี่ยทุกน้อยลง ยังโกรธลูกอยู่นะแต่ว่าไอ้ความทุกข์เพราะโกรธตัวเองเนี่ยมันมันก็น้อยลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าเธอเนี่ยซ้ำเติมตัวเองไอ้ความโกรธเนี่ยโกรธลูกนี่มันก็เป็นทุกข์พออยู่แล้วแต่นี้มีความโกรธตัวเองไอ้โกรธซ้อนโกรธนี่แหละนะที่มันทาให้เธอเป็นทุกข์มากตัวกระทั่ง บางทีไม่ได้คิดไม่ได้คิดอยากจะทํำลายลูกนะแต่มันคิดอยากจะอยากจะทํำลายตัวเองเอาคนเราเนี่ยซ้ําเติมตัวเองเนี่ยบ่อยครั้งนะคือนอกจากหาทุกมาใส่ตัวแล้วเวลามีความทุกข์เพราะเหตุใดก็ตามเนี่ยก็ยังซ้ําเติมตัวเองด้วยความคิดด้วยการปรุงแต่งที่จริงสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยนะว่ามี ความโกรธซ้อนโกรธเนี่ยหรือว่ามีความโกรธมีความไม่พอใจในความปวดที่เกิดขึ้นนะตรงนี้เนี่ยนะการที่เห็นได้เนี่ยมันเห็นได้เพราะสตินะเพียงถ้าเีแต่มีสตินี่มันก็จะเห็นเลยนะว่าเราเนี่ยซ้ำเติมตัวเอง นะบ่อยครั้งเราไม่เพียงแต่หาทุกมาใส่ตัวโดวยการคิดที่ไหลไปอดีตลอยไปอนาคตแต่ว่าในยามที่เรามีความทุกข์ไม่เพระเห็นไดก็ตามเราก็ยังซ้ำเติมทุกนั้นอีกนะด้วยการปฏิเสธด้วยการผักใสหรือด้วยปฏิกิริยานะอันนี้เรววา่ะเช่นโกรธซ้อนโกรธเนี่ย หรือว่าปฏิเสธความโกรธลปฏิเสธความปวดที่เกิดขึ้นจึงเรานี่คือสิ่งที่เรามักจะเผลอทำอยู่เป็นประจำดังนั้นที่เราบอกว่าเรารักษาตัวให้พ้นจากทุกข์ภัยเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ถ้าเรามาใข่ควรจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าเนี่ยถ้าเรารักษาตนให้พยายามรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยเนี่ยนะ เราต้องพยายามนะรู้ทันหรือเห็นอาการของใจการที่เราเห็นอาการของใจได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยสติต้องอาศัยการหมั่นดูจิตดูใจของตัวเองเนืองๆแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจที่ดูจิตดูใจของตัวมันก็เลยปล่อยให้ความหลงครอบงํามันก็เลยปล่อยให้จิตเนี่ย หาเรื่องมาซ้ำเติมหรือหาทุกขมาใส่ตัวถ้าเรามันมองสังเกตจิตใ จ, จของตัวเองเนี่ยมันจะเห็นนะอาการของใจที่สร้างทุกขหรือเพิ่มทุกให้กับตัวเองอยู่ บ, บ่อยๆแต่เป็นเพราะเราไม่ค่อยชอบนะหรือไม่เห็นความสำคัญการมามองตนมาดูใจเนี่ย ใ, ใจที่มันปราศจากการเฝ้าดูเนี่ยมันก็เลยถูกความหลงนะครอบงำและความหลงนี้ก็สามารถจะสรรหาความทุกข์นาน า, นานชนิดมาให้กับใจและกายของเราได้จริงถ้าคนเราเนี่ยนะมันสังเกตดูใจขยอยงตัวเองเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เจริญขึ้นนะแข็งแรงขึ้นงอกงามขึ้นอันนั้นคือสตินะ สติที่ว่านี่คือสัมมาสตินะมันไม่ใช่แค่ความระลึกได้ในเรื่องทั่วทั่วไปที่เราใช้ในชีวิตประจวันแต่มันเป็นสติที่ทำให้เป็นเสมือนตาในที่ทำให้เห็นความคิดและอารมณ์หรือเหตุการณของใจได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไอการที่เหน า, นาการณของใจเนี่ยมันเขาทำเองไม่ได้นะต้องอาศัยตัวช่วยหรืออาศัยผู้รู้เนี่ยคอยแนะนาอย่าง สองกรณีเนี่ยต้องอาศัยอาศัยนักจิตวิทยาเขานะค่อยๆถามค่อยๆชี้จนทั่งหันมาเห็นอาการของใจที่มันต่อต้านปฏิเสธไม่ยอมรับความปวดหัวหรืออาการของใจที่มันโกรธนะที่ตัวเองเนี่ยนะไม่พอใจที่ลูกร้องไห้ แต่คนที่ไม่คุ้นเนี่ยกับการมองกับมามองตัวเองเนี่ยบางทีก็ยากนะแม้กระทั่งจะเห็นอาการของใจเนี่ยแต่ว่าเห็นว่ามั น, มนกั ม, มีตัวมีตนนะเห็นว่าเหมือนกับมีตัวตนอีกตัวหนึ่งนะที่มันไม่พอใจตัวเองที่โกรธลูกนะหรือว่าเห็นบางส่วนของตัวเองที่มันปฏิเสธผักใส นะความปวดนะธรรมดาคนที่ไม่คุ้นนะกับการที่จะมองดูใจของตัวเองเนี่ยมันจะให้เห็นอาการของใจนี่ยากแต่จะเห็นในรูปของบางส่วนของตัวตัวเองนะที่มันมีปฏิกิริยานะต่อความปวดหรือต่อความโกรธอันนี้ก็ธรรมดานะการที่จะเห็นอาการของใจเนี่ย ถ้าไม่ได้ฝึกมาเนี่ยมันมันก็เห็นยากสิ่งที่เห็นง่ายกว่าคือเห็นในรูปของบางส่วนนะของตัวตนที่มันไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็ดีกับจิตใจก็ดีเพราะธรรมดาคนเราเนี่ยมันก็มักจะมองอะไรเป็นตัวเป็นตนนะจะเห็นอาการโกรธเนี่ยมันเห็นไม่ได้แต่ถ้าถามว่า มันจะง่ายกว่าที่เห็นตัวโกรธหรือเห็นบางส่วนของตัวเองที่โกรธจะเห็นอาการผักใสเนี่ยก็เห็นยากแต่ถ้ามองหรือบอกว่าให้มองเห็นเหมือนกับว่ามีบางส่วนของตัวเองที่มันผักใสความเจ็บความปวดเนี่ยอันนี้เห็นง่ายกว่าเพราะาธรรมดาคนเราเนี่ยก็มักจะมองอะไรเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าถ้าหากว่า มันมองอยู่เสมออยู่เสมอนะมันจะไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะเห็นเป็นอาการนะเห็นอาการผักไสนะความปวดรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นหรือเห็นอาการโกรธนะต่อความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วพอเราเห็นอาการเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะไอ้ตัวอาการนั้นเนี่ยมันก็จะ ช ง, งักนะหรือบรรเทาเบาบางลงจากโกรธซ้อนโกรธเนี่ยมันก็จะเหลือแค่โกรธตัวเดียวหรือจากการที่ผักใสความปวดเนี่ยพอตัวผักใสนี่มันหายไปเลืองการผักใสหายหไปแม้จะมีความปวดอยู่แต่ว่ามันก็ทุเลาเบาบางและต่อไปถ้ามองมาดูไข่ควรไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะว่าที่โกรธเนี่ย มันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ไม่ยอมรับบางสิ่งบางอย่างนะหรือที่ปวดเนี่ยมันเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากความโกรธนะอย่างบางคนเนี่ยโกรธพ่อโกรธแม่หรือบางทีโกรธพี่โกรธน้องโกรธเพื่อนมีความถึงขั้นพยาบาทเนี่ยมันก็จะมีความปวดปวดหัวปวดท้อง ี่ถ้าดูไปเรื่อยๆมันจะเห็นเลยนะไอ้ความไม้กรทําความปวดหัวเนี่ยมันก็เกิดจากการซ้ำเติมตัวเองเกิดจากการวางจิตวางใจไม่ถูกและพอรู้เท่านั้นแหละนะมันก็จะคลี่คลายไปได้เช่นอาจจะให้อภัยหรือแผ่เมตตาคนที่เคยโกรธความปวดก็จะหายไปหรือการโกรธโกรธลูกที่ร้องไห้เนี่ยนะ เป็นพ่อเนี่ยไปวางใจไม่ถูกไปรู้สึกผักใสไม่ยอมรับเสียงร้องของลูกนะใจที่มันผักใสเนี่ยเสียงที่ได้ยินมากระทบหูเนี่ยมันทําให้เป็นทุกข์ทำให้โกรธแต่ทันทีที่ยอมรับมันได้นะดังก็ดังไปนะไม่ไปต่อสู้ผักใสกับมันความกลัวก็ทุเลา อันนี้เห็นได้ก็ต้องมีสตินะถ้าพอเรามีสติแล้วเนี่ยให้ความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นหรือที่เคยปรุงแต่งขึ้นมาหรือที่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการซ้ําเติมตัวเองเนี่ยมันก็จะคลี่คลายบรรเทาบาบางลงลนี้เป็นวิธีการรักษาใจที่นะเราไม่ควรมองข้ามนะรักษาใจนะด้วยสตินะ เพื่อทําให้ใจเนี่ยสามารถจะเป็นปกติได้ถ้าเรารักษาใจนะอย่างเงี้ยนะมันก็การที่เราจะรักษาตนเนี่ยให้พ้นจากทุกข์ภัยเนี่ยมันกเกิดขึ้นได้ไม่งั้นเนี่ยเราก็ได้แต่พูดไปพูดไปแต่ว่าเราทําไม่ได้นะวินัยซ้ยํายังไม่ได้นึกด้วยซ้ำนะาเออเรามีหน้าที่ต้องรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย หรือถึงแม้จะตันหนักเนี่ยแต่ว่าก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสติพอที่จะรักษาใจยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการไม่มีสติรักษาศีลหรือว่าไม่มีสติในการบริโภคที่ทำให้การรักษากายให้เป็นปกติก็ทำได้ยากเหมือนกันอ่าอย่ยเนื้อผูท้ทอนย้นะเอากราบ